ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้องลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องแต่จะตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังเราได้สำรวจใจของเราสำรวจกายของเราแล้วหรือยังนั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องปั้นนมือ ฟังไปด้วยน้อมสำเนียกไปด้วยหลงสุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆอย่าไปบังคับลมหายใจ<อ>เพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ขาดความสนใจกันมากเลยทีเดียวเราพยายามสร้างความรู้ตัวถือว่าจเจริญสติอยู่กับกายของเรา ลมสัมผัสปลายจมูกของเราเป็นอย่างไรหายใจยาวเป็นอย่างไรหายใจสั้นเป็นอย่างไรอันนี้เพียงแค่รู้กายเท่านั้นนะลึกลงไปเราก็ต้องรู้ใจรู้การเกิดการดับของใจรู้ความปกติของใจใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรทำไมใจถึงไปหลงขันห้า หรือว่าความพิดอารมณ์ต่างๆเขาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรตรงนั้นถ้ากำลังสติของเราต่อเนื่องเข้มแข็งก็อาจจะรู้เท่าทันรู้ลักษณะของใจของเรารู้ไม่ทันตนเหตุของการเกิดเราก็รู้จักหยุดรู้จักดับรู้จักควบคุมเอาไว้จน ใจของเราคลายออกจากขันท่าซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนา้านั่นแหละเขาเรียกว่าสัมมาทิฐิความรู้แจ้งเห็นจริงเปิดทางให้ถ้ายังแยกแยะไม่ได้ใจยังไม่คลายใจยังเกิดอยู่ถึงจะถูกต้องก็เป็นแค่เพียงความถูกต้องของสมมุติเท่านั้นเองเราจงพยายามหมั่นพร่ำสอนใจของเราสร้างอานิสงส์สร้างบุญสร้างบารมีให้มีให้เกิดขึ้น แต่ละวันความรับผิด ช, ชอบของเรามีเต็มเปี่ยมหรือไม่ความขยันหมั่นเพียรหรือว่ามีแต่ความเกลียดคร้านเขาครอบงำถ้าเรามีความเกลียดคร้านเราก็จงพยายามกําจัดความเกลียดคร้านออกไปสร้างความขยันหมั่นเพียรสร้างความรับผิด ช, ชอบสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเรา เราก็พยายามขัดเก่ากิเลสออกจากใจของเราการผึกขัดปฏิบัติตัวใจนั่นแหละคือตัวธรรมแต่เวลานี้ใจของเรายังเกิดอยู่ยังหลงอยู่ใจนี่หลงมาเกิดเขาหลงมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดมาเกิดอยู่ในพบมนุษย์มาสร้างขันห้าหรืออัตภาพร่างกายของเรานี่แหละปิดกั้นตัวตัวเขาเอาไว้อีกทีหนึ่งแล้วใจของเราก็มีความทะเยอทะยานยกเป็นทาตของกิเลสอีก บางทีก็โลภบ้างโกรธบ้างยินดียินร้ายสารพัดอย่างมีความยึดติดยึดมั่นถือมั่นเราก็จงพยายามหัดสังเกตหัดวิเคราะห์ถ้ากำลังสติกำลังความเพียรของเรามีเพียงพอเราก็คงจะเห็นเข้าสักวันหนึ่งเห็นการแยกเห็นการคลายเห็น ความคิดต่างๆซึ่งเป็นฝ่ายนำ ม, มาทำเข้าเกิดอย่างไรเขาตั้งอยู่อย่างไรคำสอนของพระพุทธองค์ก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของตัวเราถ้าใจคลายออกจากขันห้าได้เราก็จะเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์ว่าลักษณะของอัตตาเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นอย่างไรอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงในขันห้าเป็นอย่างไรการละกิเลสก็ต้องตามมาอีก กิเลสหยาบหรือว่ากิเลสละเอียดความโลภความโกรธแต่ความหลงนี่กําลังสติของเราต้องหัดวิเคราะห์จนเจ๊คลายออกจากขันห้าถึงจะคลายความหลงได้คลายความหลงได้แล้วก็มองเห็นหนทางเดินว่าเราจะกําจัดกิเลสออกจากใจของเราได้ เ, เหมดจดหรือไม่กิเลสตัวไหนมันเกิดขึ้นที่ใจของเราเราก็จงพยายามทําความเข้าใจแล้วก็ค่อยละละทิศ ทิความเห็นเก่าๆความเห็นแบบโลกโลกสร้างสัมมาธิฏฐิคือความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏขึ้นที่ใจของเราใจคลายจากขันหา้าแยกรูปแยกนามได้เมื่อไรนั่นแหละถึงจะเป็นสัมมาธิฏฐิเริ่มต้นความเห็นถูกเริ่มต้นเท่านั้นเองถ้าเราขาดการตามทำความเข้าใจอีกเราก็ไม่เข้าใจเขาก็จะซึมเข้าสู่สภาพเดิม ทั้งพระทั้งโยมทั้งชีนี่เรามาสร้างอานิสงส์สร้างบุญบรารมีกันเราก็จงพยายามหัดวิเคราะห์เป็นเรื่องของเราทุกคนไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของตัวเราแท้ๆเราก็จงพยายามศึกษาดูอันไหนนี่คือตัววิญญาณในกายของเราทำไมวิญญาณหรือว่าตัวใจถึงเกิดจิเลสทำไมตัวใจถึงทุกข์กายนี้เป็นก้อนทุกข์ S <S <an> <S เรามาศึกษาให้ละเอียดชี้เหตุชี่ผลเห็นเหตุเห็นผลไม่ใช่ว่าจะไปะโยนความผิดให้คนโน้นคนนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้ไม่ดีอย่างนั้นคนนั้นไม่ดีอย่างนี้ก็กิเลสภายในของเราจิตใจของเราไม่ดีนั่นแหละถึงมองโลกไม่ดีถ้าใจของเราดีแล้วถึงภายนอกไม่ดีถึงขนาดในใจของเราก็ดีอยู่เหมือนเดิม ท่านถึงบอกให้มาแก้ไขใจของเรามาอบรมใจของเรารู้จากลักษณะของการเจริญสติการสร้างความรู้ตัวที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างไรกายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรการทำให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงการเอาสติปัญญาไปใช้การใช้งานไปรู้แจ้งเห็นจริงได้อย่างไรไม่ใช่ไปนึกเอาไปคิดเอาก็ต้องพยายามกันทุกคน ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งนอนหลับจนกระทั่งเราหมดลมหายใจธรรมก็มีอยู่ในใจของเราทุกคนจะมีมากมีน้อยหรือว่ากิเลสเขาเล่นงานกิเลสอยากกิเลสละเอียดลึกลงไปก็คือความเกิดคงใจเราคลายใจออกจากขันห้าละกิเลสที่ใจของเราเราก็ดับความเกิดคงใจของเราให้ได้มันหลายชั้น คนเราเกิดมาก็มีบุญมีวาสนากันอยู่แล้วเรากลับมาสร้างสะสมกิเลสต่างๆเข้าไปทับผมดวงใจของตัวเราอีกจะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องของปัญญามีมากมีน้อยก็เป็นเรื่องของปัญญาเราพยายามคลายปัญญาเก่าเหลือปัญญาโลกีออกจากใจของเราให้หมดให้เหลืออยู่ที่ความบริสุทธิ์ หนุนกำลังสติปัญญาไปทำหน้าที่แทนแต่เวลานี้กำลังสติปัญญาตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาหรือว่าส่วนปัญญาส่วนสมองตรงนี้มีไม่ค่อยอจะเยอะเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกเราฝึกแบบโลกโลกโดยใจบงการไปหมดทั้งใจทั้งขันหา้าบงการไปหมดเราจงมาสร้างความรู้ตัวตัวใหม่แล้วก็ไปอบรมใจชี้เหตุที่ผลเห็นเหตุเห็นผล ต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรเป็นเลิศไม่ใช่ว่าเล่นสนุกสนานภาษาธรรมภาษาโลกเป็นอย่างไรีกายทำหน้าที่อย่างไรทวานทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรท่านบัญญตัตเอาไว้หมดเพียงแค่ว่าเราจะศึกษาให้ถึงจุดหมายปลายทางคือความบริสุทธิ์ของใจตัวเราได้หรือไม่เท่านั้นเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลส จงพิจารณาตัวเราแก้ไขตัวเราแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันความรู้ตัวพลังเผลอได้ยังไงทุกเรื่องเัง่องะตื่นขึ้นมายืนเดินนั่งนอนเวลาจะรับประทานเข้าปะอาหารก็เหมือนกันความอยากเป็นอย่างไรความหิวเป็นอย่างไรซึ่งภาษาธรรมท่านเรียกว่าปฏิสังขายโยพิจารณาเชก่อนก่อนที่จะรับประทาน ไม่ให้ใจเกิดความอยากกายของเราหิวใจเกิดความยากได้อย่างไรถึงเล็กๆนน้อยนี่แหละพวกเรามองข้ามจะไปเอาแ ต, ต, ต, ต่ละกิเลสตัวใหญ่ๆไอ้ตัวในน้อยมันเกิดอยู่ทุกเวลาความเกิดของใจนั่นแหละความคิดของเรานั่นแหละมันเกิดตรงไหนเรื่องอะไรที่มันเกิดเราละตัวเล็กได้แล้วตัวใหญ่มันเกิดเกิดขึ้นได้อย่างไรเราถอนรากถอนโคนพระพุทธองค์ท่านชี้ลงที่เหตุ เหตุทางสมมุติก็มีเหตุทางบีมมติก็มีเราต้องพยายามทําความเข้าใจให้ได้ทั้งสองอย่างทั้งสมมุติทั้งบีมมุดเพราะสมมุติกับบีมมติเขาก็อาศัยกันอยู่ตัวใจนั่นแหละอาศัยกายอยู่เขามาสร้างกายมาสร้างขันห้าขึ้นมาถึงวาระเวลาเขาก็ต้องแตกดับถ้าหมดลมหายใจก็มีตั้งแต่เรื่องบิบากของกรรมบีบบากของบุญกับบา ท่านให้ละบาปสร้างบุญไม่ยึดติดในบนุญถึงเราไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็มีสเสบียงมีข้าพวพกข้าวห่อติดตามตัวเราไม่ว่าจะไปที่ไหนก็อย่าไปทิ้งบุญการทำความเข้าใจลักษณะของการเจริญสติเป็นดังนี้ ลักษณะของศีลความปกติเป็นอย่างนี้ทั้งศีลอยู่ที่กายอยู่ที่ใจท่านถึงบอกให้สํารวมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเราก็ดับความเกิดคงใจให้ได้มองเห็นหุ่นทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดไม่กลับมาเกิดกันก็ต้องพยายามกันนะวันนี้ชีเราช่วยกันเอาต้นไม้ที่หลังหอฉันห้องเราเนี้ยไปปลูก ตามกุฏิไปต้นหมากต้นไทรไปปลูกตามข้างกุฏิของตัวเราไปประดับจะได้สวยได้งามจะได้ความร่มรื่นร่มเย็นในวันข้างหน้าซึ่งวางอยู่ข้างหลังทลาวหอฉันของเราเอาไปปลูกช่วยกันให้เสร็จกุฏิของแต่ละคนก็ช่วยกันไปปลูกวันนี้หลวงพ่อก็อาจจะได้ขออนุญาตทุกคน ลงไปกิจนนมนที่ระยองสักสองวันกั่นพวกนี้ช่วงเย็นๆก็คงจะได้กลับอยู่ที่วัดมีอะไรแล้วก็ช่วยกันทำช่วยกันดูแลช่วยกันแก้ไขจากงานหนักก็เป็นงานเบาจากงานเบาก็จะเป็นปกติเราพยายามทาทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นปกติใจปกติ นี่เป็นอย่างนี้ใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างนี้งานสมมุติภายนอกที่เราเข้ามาอาศัยอยู่เราก็ทำความเข้าใจรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้วกายของเราก็ยังต้องการปัจเจศียังต้องการยังอยู่กับสมมุติยังอยู่กัโล ก, กธรรมเราต้องแบ่งต้องแยกรู้ให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรดำเนิน จงโทษตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราอยู่ตลอดเวลาจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้สร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องอีกสักนิดหนึ่งอดทนต่อทุกขเวทนาทางด้านร่างกายของเราแล้วก็สร้างความรู้ให้ต่อเนื่องอไหวพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสารโตทำความเข้าใจให้รู้ทุกริยบบท